อานามสยามยุทธว่าด้วยกองทัพยสยามกรุงเทพได้ยกพลนิ่ายไปกระทําการศึกสงครามกันกับลาภูุิเขาพาวเมืองเวียงจันท์เป็นต้นเหตุเดิมเริ่มแรกที่จะได้ก่อการศึกสงครามกันกัเขมรยวนต่อไปเป็นศึกใหญ่ได้กระทํามหายุทธนาการในรัชกาลที่สกรุงเทพเมื่อจุลศการาชหนึ่งพันหนึ่งรอย 88ปีจออัศศกดังจะได้แสดงต่อไปนี้อานามสยามยุทธภาคที่หนึ่งตอนที่สิบสามสารจากพระเจ้าดึกว่างเด้พระเจ้ากรุงญวนถึงกรุงเทพ ฝ่ายเจ้าพระยาราชสุภาวดีแม่ทัพใหญ่กับพระยาพระหลวงนายทัพนายกองทั้งหลายที่ไปตั้งทัพกวาดต้อนครอบครัวลราวเวียงจันและปราบปรามข้าศึกราบคาบเสร็จราชการแล้วจึงเข้าชื่อกันทําใบบอกให้หลวงอำนาจสุรเสนีถือลงมายัางกรุงเทพเจ้าพนักงานจึงนำขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาได้ทรงทราบแล้ว จึงโปรดกล่าวให้พระราชเสนามีท้องตราหากองทัพกลับลงมายัางกรุงเทพให้เจมินมนเทือนพิทักษ์ปลัดกรมตำรวจในพระราชวังบวรซึ่งเป็นบุตรเจ้าพระยานครราชสีมาทองอินถือท้องตราขึ้นไปให้เจ้าพระยาราชสภาวดีกลับและเกณฑ์กองทัพเมืองนครราชสีมาไปขัดตาทัพ ร, รักษาด่านทางไว้ก่อน เพราะบ้านเมืองลาวยังไม่ราบคาบเมื่อเจ้าพระยาราชสุภวิีได้ทราบท้องตราให้หาทัพกลับดังนั้นแล้วจึงยกกองทัพกลับลงมาถึงเมืองนครราชสีมาพร้อมด้วยจมื่นมนเทียนพิทักษ์ข้าหลวงวางตราให้เจ้าพระยานครราชสีมาทราบราชการแล้วก็พากันยกลงมาทางดงพระยาไฟถึงเมืองสระบุรีสั่งให้จับหลวงมหาพิชัย ซึ่งให้เป็นกองล่วงหน้าลงมาก่อนแล้วเดินทับลงมาตามบ้านดงไฟเก็บโคต่างช้างมากระบือตามชาวบ้านป่ามาเป็นกำลังราชการและให้บรรทุกของของกองทัพส่งมายังท่าราบปากเพียวแล้วนำโคต่างช้างมากระบือของรัศดรที่เกณฑ์ขอแรงงานนั้นไปจำหน่ายขายเสียมากเจ้าพระยานครราชสีมา เป็นโจดฟ้องต่อเจ้าพระยาราชสุภาวดีเจ้าพระยาราชสุภวดีจึงให้ขุนชัยเสนีเป็นตุลาการชัมระหลวงมหาพิชัยหลวงมหาพิชัยซัดทอดถึงพระรัตนากาศพระพิมลสงครามว่าเป็นผู้ร่วมกันคิดข้อลาดได้ความเป็นสัตดังนั้นแล้วสั่งให้พระยาสบหรีกับขุนชัยเสนีฆ่าหลวงอยู่ชัมระให้ได้โคต่าง ช้างมา้ากระบือคืนให้แก่รัษฎรจงครบทุกรายอย่าให้ขาดได้ถ้าสืบไม่ได้ตัวของกลางช้างมา้าโคกระบือแล้วก็ให้นําช้างมา้าโคต่างกระบือในกองทัพหลวงออกใช้ให้ราษฎรจนครบครันชําระเป็นสัตว์แล้วสั่งให้หลวงรองจ่าเมืองนครราชสีมานําพระ้ารัตนากาศหนึ่ง พระพิมนสงครามหนึ่งหลวงมหาพิชัย 1, หนึ่งรวมสามคนนี้ขึ้นไปให้เจ้าพระยานครราชศีมาประหารชีวิตตับศรีรษะเสียบไว้หน้าเมืองอย่าให้แม่ทัพนายกองที่ยกตามลงมาครั้งนี้ทำเป็นเยี่ยงอย่างสื่อไปเจ้าพระยาราชสุภาวดีสั่งให้ประหารชีวิตไอ้เหล่าร้ายสามคนแล้วก็ลงเรือล่องลงมากรุงเทพพระมหานครอมรรัตนโกสิน พระยาจ่าแสนบดีสีบริบาล น, นำเจ้าพระยาราชสุภวดีเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระกรณุณาณวันเดือนสิบขึ้นสิบค่ำปีฉลูเอกศกจุลักษกริหนึ่งพันหนึ่งร้อาส1บ9อดปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าตั้งเจ้าพระยาราชสุภวดีสิงห์เป็นเจ้าพระยาบดินเดชาที่สมุหานายก อัครมหาเสนาบดีถือศักดินา1มื่นหนึ่งเอกอุพรราชสีพระราชทานเครื่องยศอย่างอัครมหาเสนาบดีพร้อมมีพานหมากหนึ่งเต้าน้ำหนึ่งกระบี่หนึ่งกระโถนหนึ่งเป็นต้นแต่หลวนเป็นทองคำทั้งสิน้นโปรดตั้งพระราชวริทป้อมเป็นพระมหาเทพเจ้ากรมพระตำรวจใน้ายต้นเชือก พระราชทานคนโทบังการีโตหมากทองคำกับเปรยวนไหมสีเขียวสำหรับนั่งเข้ามาเฝ้าทูลละองทูลีพระบาทเสมอทุกวันตลอดไปโปรดกลาวตั้งพระวิชิตสงครามในพระราชวังบวรซึ่งเป็นนายทัพกองด่านเมืองนครพนมข้ายวนตายนั้นให้เป็นพระยาณรงค์วิชัยในพระราชวังบวรแล้วพระราชทธานพานหมากทองคำเต้าน้ำทองคำ และแค่คานหามแก่พระยาราชรองเมืองเพิ่มยศขึ้นเป็นเจ้าพระยาครั้งนั้นฝ่ายในกรมพระราชวังบวรโปรดตั้งเจมื่นมนเทียนพิทักษ์ซึ่งเป็นบุตรเจ้าพระยานครราชสีมาให้เป็นพระยาบริลักษ์ราชาแต่พระนรงค์วิชิตข้าหลวงเดิมในกรมพระราชวังบวรนั้นได้เป็นนายทัพนายกองเมืองนครพนมมีไวยพริบฉันเชิงดี รู้ท่วงทีกลนศึกกลนอบายยวนและเหล่าที่มาในระหว่างการทับศึกนั้นได้ราชการดีมากจึงโปรดเกล้าตั้งให้เป็นพระยาไกรโกษาธิบดีกรมท่าฝ่ายในพระราชวังบวรได้รับพระราชทานพานทองเต้าน้ําทองเป็นเครื่องยศแทนที่พระยาไกรโกษาที่ลงพระราชอาชญาจาตรวนถอดออกจากฐานานุสักเมื่อแตกทับเล่าเวียงจันท์มานั้น ภายในพระราชวังหลวงนั้นทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าแต่งตั้งเลื่อนยศพระยาพระหลวงขุนหมื่นนายทัพนายกองที่มีความชอบในาราชการทัพศึกลาวครั้งนี้ท่วนทุกคนแล้วพระราชทานปูนบําเหน็จเงินตราเสื้อผ้าเพิ่มเติมเบี้ยห ว, วัดผ้าปีให้แก่นายทัพนายกองตามคูณานุคุณที่มีความดีความชอบทุกๆคน แล้วโปรดกล้าวให้พระยาพิชัยวารีโตเป็นข้าหลวงเดิมให้เป็นพระยาราชสุภวดีจยางวางกรมพระสุรัศวดีพระราชทานเครื่องยศมีพานหมากน้ำเต้ากระบี่ทองคาทั้งสิน้นเหมือนอย่างเสนาบดีและมีแค่คานหามด้วยแต่ครอบครัวลาวชาวเมืองเวียงจันนั้นโปรดกล้าวให้อยู่ที่เมืองสระบุรีบ้าง เมืองลบบุรีบ้างเมืองสุพรรณบุรีบ้างเมืองนครชัยศรีบ้างให้แยกย้ายกันอยู่ในแขวงจังหวัดกรุงเทพบ้างพระอินทร์อาสาลาวเก่าที่เมืองพนัทิคมได้เป็นลูกกองขึ้นไปกว่าต้อนครอบครัวลาวเมืองนครพนมมาไว้ที่เมืองพนัทติคมที่เมืองพนมสารคามพร้อมกับลาวอาสาปากน้ําซึ่งตั้งอยู่แต่ก่อนนั้นแล้วแต่เจ้าอุปราชเมืองเวียงจันท์นั้น ไม่ได้เป็นพวกขบฏด้วยเจ้าอนุจึงโปรดให้อยู่ที่บางยี่ขันบ้านเจ้าอนุเก่าให้ทำราชการอยู่ในกรุงเทพได้พระราชทธานเบี้ยห ว, วัดผ้าปีตามสมควรครั้นณวันอาทิตย์เดือนสิบสองขึ้นหกขั้พระอนุรักษ์ภูทรราชทูตหนึ่งหลวงพิทักษ์นาทีอุปทูตหนึ่งขุนพิพิธโพคาตรีทูตหนึ่งราชทูตานุทูตมีชื่อ กลับมาจากกรุงเวถึงกรุงเทพแล้วได้นำพระราชสารของพระเจ้าเวียดนามซึ่งตอบเข้ามานั้นถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้อความในพระราชสารยวนมีความว่าดังนี้พระราชสารสมเด็จพระเจ้าเวียดนามดึกว่างเดสทรงบารุงพระพุทธศาสนาอาณาประชาราษฎร์โดยทางธรรมิกมหาราชาธิราช สุจริตเป็นพระบรมมหาจักรพรรดิราชาธิราชเจ้ากรุงเวอนัท่าราชัตรกูลอิสรยศปรากฏพระนามตามยี่ห้อว่ามินมางขอเจริญทางพระราชมตรีคำนับมาถึงสมเด็จพระเจ้าบ ร, รมราชาธิราชเสียมล่าดึกพัฒททเวียงพระเจ้ากรุงพระมหานครศรีอชิตยาบางกอกได้ทรงทราบ ด้วยผู้ครองฝ่ายกรุงพระมหานครศรีอายุทยาแต่งให้พระอนุรักษ์ภูทรราชทูตหนึ่งหลวงพิทักษ์นาทีอุปทูตหนึ่งพระพิพิธโพคาปรีทูตหนึ่งราชทูตานุทูตมีชื่อจำทูลพระราชสารขุมเครื่องราชบรรณาการออกมาทรงยินดีตามทางพระราชมัตรีนั้นเป็นข้อต้นกับว่าด้วยข้อความเจ้าอนุเมืองเวียงจันท์เป็นขบฏมีโทษผิดมากนั้น ได้แจ้งข้อความในพระราชาสานดังนี้แล้วด้วยคิดจะให้กรุงเวียดนามกับกรุงเทพมหานครศรีอยุธยาเป็นทางพระราชมตตรีกันสนิทติดต่อไปทั่วชั่วชั้นอายุยิ่งนานยิ่งให้สริรเนื่องสืบสัมพันธมิตรแก่กันนั้นจําเป็นทั้งสองพระมหานครจะให้โอกาสอํำนาจแก่บรรดาหัวเมืองขึ้นทั้งสองฝ่ายให้จัดการระวังรักษาเขตแดน ให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดเขตแดนอย่าให้มีเหตุการณ์ร้าวฉานกันขึ้นได้แต่สักครั้งหนึ่งหัวเมืองออกเมืองขึ้นขอบขันทษสีมาอาณาจักรทั้งสองฝ่ายจะได้พึ่งบุญพระบารมีอำนาจพระมหานครทั้งสองประคองให้ไพร่ฟ้าาแผ่นดินไปมาค้าขายบริบูรณ์ทั่วกันถ้าเป็นไปได้ดังนี้ทางพระราชไมตรีจึงจะดีไม่สิ้นสุด แต่ก่อนเมืองขมรและเมืองลาวเวียงจันทเป็นหัวเมืองประเทศสลาชใหญ่ได้แต่งขุนนางคุ้มเครื่องราชบรรณาการไปจิ้มก้องถวายของทั้งสองพระมหานครทุกคราวตามอนุภาพหามีความผิดสิ่งใดไม่เพราะเมืองขมรและเมืองลาวเวียงจันทได้พึ่งพระบารมีอำนาจของกรุงเวียดนามและกรุงพระมหานครสีอยุธยาทั้งสองพระมหานคร สงพรามหากรณาเมตตาอารีโอบอ้อมทำนุบำรุงแก่หัวเมืองขเขมรและลาวที่เป็นเมืองสืบกษัตริย์มาช้านานแต่ว่ามีอำนาจน้อยนานาประเทศทั้งปวงก็ย่อมรู้อยู่สิ้นด้วยกันเป็นพยานว่าขเขมรและลาวขึ้นทั้งสองพระมหานครกรุงพระมหานครศรีอยุธยาจะว่าเมืองขเขมรและลาวไม่ได้ขึ้นแก่กรุงเวียดนาม กรุงเวียดนามจะมาเป็นธุระด้วยเมืองเขมรและลาวนั้นไม่ได้พูดอย่างนี้จะถูกต้องตามประเพณีทำรรแล้วหรืออันหนึ่งเมื่อปีก่อนนั้นเจ้าอนุเมืองเวียงจันทร์มีทุกหนีร้อนเข้ามาพึ่งเย็นในเขตแดนยวนยวนจะนิ่งดูก็ไม่ควรแก่ทานยุติธรรมราชประเพณีพระมากษัตริย์ราศสราชเจ้า กอบไปด้วยพระมหากรนาดุดดังป่าและทะเลเป็นที่อาศัยของหมูสัตว์บกและสัตว์น้ำเพราะฉะนั้นพระเจ้ากรุงเวียดนามจึงมีรับสั่งให้เจ้าเมืองแง่อ่านรับเจ้าอนุและครอบครัวลาวเข้าไว้ในเขตแดนยวนเพื่อจะได้อาศัยหยุดพักกว่าจะทรงจัดการระงับเหตุให้เป็นปกติขันภายหลังมาเจ้าอนุ มีคําให้การปรับทุกอ้อนวอนอ่อนน้อมขอกลับขึ้นไปอยู่บ้านเมืองดังเก่าเพราะว่าไทยไม่รักษาเมืองและทิ้งเมืองเวียงจันทร์เสียดังป่าดงพระเจ้ากรุงเวียดนามจึงมีรับสั่งกับองค์ธงเจอัครมหาเสนาบดีให้มีท้องตราบังคับสั่งเจ้าเมืองแง่อ่านให้เกรนไพ่ยวนลาวในเมืองแง่อ่านสองอยเศษมีขุนนางยวนกรมการเมืองแง่อ่าน คุงไพร์ไปสรงเจ้าอนุให้ผลเขตแดนยวนแล้วได้สั่งกำชับ ก, กับขุนานางยวนเมืองเงี้ยานว่าไปถึงด่านทางที่ไทยตั้งอยู่นั้นให้บอกกล่าวคำนับเสียก่อนจึงเข้าไปในเขตแดนไทยถ้าไทยไม่ให้เข้าไปก็ให้กลับมาแต่เพียงเขตแดนยวนเท่านั้นกลับได้มีหนังสือถึงเจ้าอนุเป็นการตักเตือนกำชับสั่งไปว่า ถ้าถึงบ้านเมืองเวียงจันทร์แล้วให้เร่งคิดถึงตัวให้มากๆว่าตัวได้กระทามความผิดต่อกรุงพระมหาคนครศรีอยุทยาล่วงเกินมาดังนี้มีความผิดมากให้เร่บแต่งเจ้าบุตรหลานญาติคุ้มเครื่องบรรณาการดอกไม้เงินทองลงไปให้ท่านเสนาบดีไทยนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระเจ้ากรุงมหาคนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นการขอพระราชทานโทษรับผิด จะได้เป็นข้าขอบขันธสีมาอาณาจักรของไทยต่อไปได้สั่งกําชับเจ้าอนุให้ทําดังนี้ฝ่ายกรุงเวียดนามก็ได้ให้ขุนนางยวนชื่อเลงอันหือเป็นราชทูตกับขุนนางยวนมีชื่ออีกหลายนายเป็นทูตานุทูตจําทูลพระราชสารมาด้วยเรือรบที่เมืองใส่นนเข้ามาแจ้งข้อราชการในกรุงพระมหานครเสียยุติยาในความพระรา ช, ชประสงค์ ในพระเจ้าเวียดนามนั้นจะทรงจัด ก, การบ้านเมืองเวียงจันทร์ให้เป็นปกติดังเก่าสงเห็นสมควรที่จะทําคุณเมตตากับไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินลาวชาวเมืองเวียงจันทร์ซึ่งเป็นบ้านเล็กเมืองน้อยควรเมืองใหญ่จะมีเมตตาการุณาแก่เมืองมีอํานาจน้อยเช่นนั้นด้วยจึงจะชอบด้วยทางพระราชามตรีซึ่งจัด ก, การทั้งนี้เห็นว่า เป็นทางธรรมราชประเพณีดีแล้วถ้าผู้ครองฝ่ายไทยมีพระราชหฤทยัยคิดถึงทางพระราชมัยตรีแล้วให้ลงพระราชหฤทยัยกับผู้ครองฝ่ายยวนเป็นพระราชหฤทยัยผู้ครองฝ่ายไทยเถิดถ้าเจ้าอนุมีความผิดโทษจะมีประการใดควรจะรบตีบ้านเมืองเวียงจันท์ให้แตกทำลายหรือว่าควรจะริบทรัพย์สมบัติในเมืองลาว ถ่ายผู้คนครอบครัวไปไว้ในบ้านเมืองไทยประการใดตามโทษผิดของเจ้าอนุนังไซไทยก็ไม่บอกให้ยวนทราบเหตุการณ์ก่อนอย่างนี้จะว่ารักษาพระราชาธิปไอันสนิทยอย่างไรเล่าต่อเมื่อกรุงเวียดนามทราบก่อนแล้วจึงให้ขุนนานยวนชื่อเลงอันหือเป็นราชทูตเข้ามาต่อว่าในกรุงพระม a h a n a k h ีอุธยา จนราชทูตยวนกลับมาช้านานก็ยังเงียบไม่เห็นมีราชทูตานุทูตรกรุงพระมหารกรสอยุธยาออกมาแจ้งข้อราชการเมืองเวียงจันทร์ตามทางพระราชมตรีเหมือนแต่ก่อนจะว่าตั้งอยู่ในทางพระราชมตรีที่ไหนได้เล่ามิใช่แต่เท่านี้เมื่อฤดูร้อนปีกลายได้สั่งเจ้าเมืองแง่อ่านให้จัดขุนนางยวนผู้น้อย ถือหนังสือรับส่งและคุมไพร่50คนเดินบกขึ้นไปลงเรือที่ท่าเมืองมหาชัยกองแก้วแล้วก็ให้ไปส่งหนังสือให้แม่ทัพไทยฉบับหนึ่งให้เจ้าอนุฉบับหนึ่งเป็นการสั่งกำชับให้เจ้าอนุเรีบลงไปขอโทษตัวต่อกรุงพระมหาราชสีอายุทยาครั้งนั้นขุนนางยวนที่ถือหนังสือไปถึงเมืองนครพนมลาวนั้น ยวนไปหานายด่านไทยโดยความสุภาพสุจริตไม่มีเหตุการณ์สิ่งใดเลยแต่สักนิดหนึ่งนายทัพไทยชื่อทุ่งวิชัยชิดชุมจับขุนนางยวนสองคนพระยวนสี่สิบแปดคนฆ่าเสียโดยหาเหตุผิดร้ายมิได้เลยทุ่งวิชัยชิดชุมคมเหงฆ่ายวนทั้งนี้ถ้าผู้ครองฝ่ายไทยเห็นดีแล้วหรือ หรือจะว่าประการใดต่อไปอีกเล่าผู้ครองฝ่ายยวนไม่อยากจะฟังเสียงไทยอีกแล้วเมื่อยวนนายไพ่าตายห้าสิบคนนั้นยังเหลืออยู่แต่ยวนที่ชื่อเลดินคนหนึ่งกับราวที่ไปด้วยนั้นอีกสองคนเป็นสามคนด้วยกันที่เฝ้าเรือทุ่งวิชัยชิดชุมข้ายวนตายแล้วเก็บหนังสือรับสั่งพระเจ้ากรุงเวียดนามอยู่ในกล่องนั้น ไปส่งให้ขุนนางผู้ใหญ่แม่ทัพไทยชื่อราชเชุภาวดีก็ฉีกหนังสือเสียด้วยกระทำการบังอาจดูหมิ่นดูถูกพระเจ้าเวียดนามดังนี้สมควรเป็นเมืองไมตรีกันแล้วหรืออันหนึ่งทุ่งวิชัยคิดชุมชุงกิมดองลงนาราขุนนางนายทัพนกองฝ่ายไทยที่ออกชื่อมาทั้งนี้ ยกกองทัพเดินล่วงเกินเข้าไปในเมืองกัมโลและเมืองถูตือเมืองบอลาซึ่งเป็นหัวเมืองในเขตแดนยวนทั้งสิน้นแม่ทัพใหญ่ฝ่ายไทยที่ชื่อราชสุภาวดีนั้นยุยงเป็นใจให้ท้ายปล่อยให้ขุนนาง น, นายทัพนกองไทยชื่อทุ่งวิชัยชิดชุมชุ่มกิมดองลงนรายกกองทัพ เดินเข้าไปเก็บสวยสารกรในเขตแดนเมืองยวนเป็นการซ้ำเติมให้ไพ่บ้านพลเมืองยวนได้ความเดือดร้อนดังนี้เห็นผิดด้วยอย่างรำเนียมเมืองเป็นทางไมตรีกันการเป็นทางนี้ยังจะเป็นไมตรีกันอย่างไรได้เห็นว่ากรุงพระมหานครศรีอุทยาไม่รักษาทางพระราชมิตรีแต่เจ้าอนุนันเป็นผู้มีความผิดมีโทษ ก็ได้จับเจ้าอนุไปฆ่าแล้วแต่เมืองเวียงจันน์นั้นทิ้งให้ว่างเปล่าเป็นป่าช้านานจนทุกวันนี้กรุงพระมหานครศรีอยุธยาก็ยังหาได้บอกไปถึงกรุงเวียดนามว่าจะตั้งเจ้าเมืองเวียงจันทร์ใหม่เมื่อใดไม่กรุงเวียดนามจะได้ให้ขุนนางยวนผู้ใหญ่มาพร้อมด้วยขุนนางผู้ใหญ่ฝ่ายไทยตั้งเจ้าเมืองเวียงจันทร์เมื่อนั้นด้วยซึ่งเจ้าอนุ ทำความผิดต่อกรุงพระมหานครศรี n ีอยุธยากรุงพระมหานคร k h สีอยุธยาทำโทษฆ่าเสียนั้นก็ควรอยู่แล้วแต่เมืองเวียงจันทร์หาควรจะให้เป็นแผ่นดินว่างเปล่าอยู่ไหมเพราะหาประโยชน์มิได้เลยอันหนึง่งความต้นสามข้อดูยังหาดีไหมฝ่ายกรุงเวียดนามยังคิดถึงความดีของกรุงพระมหานคร k h ีอยุธยาที่มีแก่กรุงเวียดนามมาแต่ก่อน กว่าส0สิบปีห้าสิบปีแล้วเพราะฉะนั้นไทยทำกับยวนหนักเบาประการใดยวนก็หาได้ขัดเครืองแก่ไทยไม่เมื่อต้นปีนี้พระเจ้าเวียดนามมีรับสัง่งโปรดให้ขุนนางยวนฝ่ายทหารชื่อบัญชูเวียนเป็นราชทูตกับขุนนางยวนมีชื่ออีกหลายนายเป็นราชทูตตาทูต จำทูลพระราชาถานเข้าไปกรุงพระมหานครศรีอยุธยาแย่งราชการโดยสัตย์ซื่อเพื่อจะให้กรุงพระมหานครศรีอยุธยาคิดอ่านทำนุบำรุงทางราชไมตรีให้รอบคอบโดยสจิริขันอยู่มาเมื่อปลายปีนี้จงเต็กเจ้าเมืองใส้ง่อนมีใบบอกส่งสำเนาพระราชสาลกรุงพระมหานครศรีอยุธยาขึ้นมาฉบับหนึ่งเสนาบดีกรุงเว ได้ประชุมตรวจพิเคราะห์ดูในสำนาพระราชสารนั้นเห็นข้อความเลื่อนลอยอยู่มากแต่ข้อที่สำคัญนั้นหามีมาไม่จึงได้แครงอยู่คิดว่ากรุงพระมหานครศรีอยุธยานั้นเห็นทีจะผ่อนผันทางราชมตรีลงไม่ให้เหมือนแต่ก่อนจึงพูดจาแต่สั้นๆไม่เป็นหลักฐานทางราชการขันอยู่มาไม่ช้ามีราชทูตตามทูตไทยออกมาครั้งนี้ ชื่อพระอนุรักษ์ภูธรราชทูตานุทูตหลายนายมาถึงกรุงเวแล้วพระเจ้าเวียดนามมีรับสั่งให้องค์เลโปโเสนาบดีต่างประเทศถามราชทูตไทยด้วยมีข้อราชการถึงทุ่งวิชัยคิดทุมชุงกิมดองลงนราร า, ราชทูตไทยชื่อพระอนุรักษ์ภูธรแจ้งว่าความสองเรื่องนี้เมื่อพระอนุรักษ์ภูธร ราชทูตไทยยังอยู่ในกรุงพระมหานครศรีอยุธยานั้นหาได้ยินข่าวคราวประการใดไม่เพราะกองทัพใหญ่ยังไม่กลับมาจากเมืองลาวเหนือความข้อนี้ถ้าจริงเหมือนทำพระอนุรักษ์ภูธรราชทูตว่านั้นจริงแล้วเห็นว่าขุนนางนายทัพนายกองไทยไม่ผ้นความผิดถ้ากฎหมายอย่างทำเนียมกรุงพระมหานครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ในทางยุติธรรมตรงๆอยู่แล้วก็คงจะไม่ละโทษทุ่งวิชัยชิดชุมชุงกิมดองลงนาราผู้มีความผิดอีกข้อหนึ่งซึ่งจะตั้งเจ้าเมืองเวียงจันทร์ใหม่นั้นชอบแต่กรุงพระมหานครศรีอายุทยาพร้อมด้วยกรงเวียดนามคิดอ่านตั้งเจ้ากรุงเมืองเวียงจันทร์ใหม่ขึ้นจึงจะถูกด้วยอย่างธรรมเนียมแต่โบราณมาอันหนึ่งพระอนุรักษ์ภูธร ราชทูตไทยได้แจ้งความอีกว่าเมื่อทูตไทยจะออกจากกรุงพระมหานครศรีอยุทยานั้นเจ้าพระยาราชสสพาวรีแม่ทัพใหญ่ยังไม่กลับลงมาถึงกรุงไทยข้อความทั้งปวงนั้นสมเด็จพระเจ้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยาจะทรงคิดอ่านจัดการประการใดนั้นพระอนุรักษ์ภูธรราชทูตไทยหาแจ้งในพระไทยไม่หมายเหตุ สิ้นคำให้การพระอนุรักษ์ภูธ ร, รราชทูตไทยแต่เท่านี้องค์เลโปเสนาบดีให้ล่ามพนักงานจดหมายถ้อยคำราชทูตไทยลงในกระดาษแผ่นหนึ่งนำขึ้นทูลถวายพระเจ้าเวียดนามแต่ก่อนเมื่อราชทูตไทยยังไม่ได้เข้าเฝ้านั้นครั้นราชทูตานุทูตไทยได้เข้าเฝ้ากราบถวายบังคมทูลเกล้าวถวายพระราชสาน ในท้องพระโรงที่มีชุมนุมขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยพระเจ้ากรุงเวียดนามทรงพระราชปฏิสันฐานปราศัยแก่ราชทูตตานุทูตไทยตามทาเนียมราชทูทตต่างประเทศเสร็จแล้วจึงได้ตรัสถามราชทูตไทยต่อไปในที่เฝ้าด้วยเรื่องทุ่งวิชัยคิดชุมชุงกิมดองลงนาราเมืองเวียงจันทร์ราชทูตไทยกราบทูลเฉพาะหน้าพระที่นั่ง เหนือความต้องการกับที่ให้การซึ่งองค์เลปโป่จดหมายไปกราบทูลแต่ก่อนแล้วพระเจ้าเวียดนามสงคาดคเนเห็นความในพระไทยพระเจ้ากรุงพระมหานครสีอุจจัยนั้นเห็นจะเหมือนกับคําราชทูตกราบทูลถ้าเป็นจริงดังนั้นแล้วทางพระราชนิตรีทั้งสองพระนะครคงจะวิวัฒนากรเจริญยิ่งขึ้นไปจะไม่ร้าวฉานสามคี ขันโปรดให้องค์เลโปเสนาบดีจัดแจงตกแต่งเลี้ยงดูราชทูตานุทูตไทยแล้วโปรดให้องค์เลโปเสนาบดีแต่งพระราชสารตอบไทยและจัดเครื่องราชบรรณาการสงยินดีบอบให้ราชทูตานุทูตไทยคุ้มเข้าไปเจริญทางพระราชาชตรีกรุงพระมหานครศรีอยุธยาขอให้ผู้ครองพระมหานครทั้งสองฝ่ายรักษาทางพระราชไมตรีให้ยืดยาว อย่าให้เสื่อมทรามลงได้ตั้งแต่นี้สืบไปเมื่อหน้าเมืองประเทศสราศและหัวเมืองขึ้นเมืองออกและนานาประเทศทั้งปวงจะได้สรรเสริญว่าสองพระมหานครมีทางพระราชมเมตรีเสมอต้นเสมอปลายอันหนึ่งครั้งนี้กรุงพระมหานครศีอยุธยาจัดสิ่งของเครื่องบรรณาการเกินมากออกมากกว่าอย่างทำเนียมแต่ก่อนกรุงเวียดนามเห็นว่า ทางพระราชมัตรีตั้งอยู่ให้เสมอต้นปลายเป็นการเจริญนั้นอาศัยด้วยอย่างท ร, รเนียมความยุติธรรมมัตรีไม่ได้อาศัยสิ่งของราชบาาัณาัตมากเกินขนาดกว่าอย่างท ร, รเนียมเพราะฉะนั้นได้สั่งเจ้าพนัก ง, งานรับสิ่งของเครื่องราชบัณาการไว้ตามอย่างท ร, รเนียมแต่ก่อนมาแต่เจ็ดสิ่งเท่านั้นสิ่งของเหลือจากอย่างทรเนียมนั้น มอบให้ราชทูตไทยขุมคืนกลับเข้ามายัางกรุงพระมหานครศรีอยุธยาอันหนึ่งกรุงเวียดนามกับกรุงพระมหานครศรีอยุธยาเป็นทางพระราชนตรีรักใคร่สนิทกันมาแต่ก่อนฉันใดขอให้ทางพระราชนตรีทั้งสองพระนะครนี้จงเสมอต้นเสมอปลายเหมือนแต่ก่อนกรุงเวียดนามจัดการทางพระราชมตรีมาทั้งนี้ขอให้กรุงพระมหานครศรีอยุธยา ทงคิดดูให้รอบคอบจะชอบไม่ชอบและสิ่งของเครื่องราชบรรณาการที่ตอบแทนไปมาถึงกันและกันนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนหรือการสำแดงความยินดีต่อกันถึงจะน้อยและมากไม่เป็นการประมาณหมายเหตุให้ดีและเสียไปด้วยสิ่งของนั้นได้ถึงของน้อยแต่ต้องทาความดียุติธรรมถูกต้องด้วยอย่างทำเนียมแล้ว ทางไมตรีก็จะยืดยาวสืบไปชั่วฟ้าและดินถ้าไม่ประพฤติการดีทางยุติธรรมต้องด้วยแบบอย่างทำรรเนียมดีแล้วก็เหมือนทิ้งสิ่งที่ดีหาที่ร้ายที่กรุงเวียดนามกล่าวมาทั้งนี้เห็นเป็นการดีถูกต้องเป็นแบบอย่างประเพณีซึ่งอยู่ในทางยุติธรรมทุกประการแล้วแต่แบบอย่างทำรรเนียมกรุงพระมหานครศรีอยุธยานั้นจะประพฤติเหมือนอย่างกรุงเวียดนามหรือไม่เหมือน ก็ยังหาทราบไม่ถ้าพระนครใดไม่ตั้งอยู่ในทางยุติธรรมแล้วเบื้องบนมีเทวดาเบื้องล่างมีนาน า, นาประเทศคงจะเห็นความคดและตรงเป็นแน่ตามกระแสะกรุงเวียดนามกรุงเวียดนามไม่ต้องว่ามากไปอีกแล้วพระราชสารกรุงเวียดนามมาณวันเดือนเจ็ดแรมสิบเอ็ดค่ำปีฉลูเอกศกจุลศักราช 1, 1 191พันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดปีสกราชมินมางปีที่สิบประทับตราแผ่นดินหลายดวงและตราเสนาบดีด้วยหมายเหตุเนือความในพระราชสารกรุงเวียดนามที่กล่าวมานี้คัดข้อความมาแต่ต้นฉบับสำเนาพระราชสารยวนที่ส่งมาแต่เดิมตกอยู่ที่เวณกลมท่ากลางคัดลงจนสิ้นเนื้อความเดิมหมดฉบับไม่ได้ตรรตรอเลย เพราะจะให้ได้ฟังข้างหน้าต่อไปจะได้ฟังดูรู้จักสำนวนยวนพูดจายกตนข่มท่านและพูดจาเพอเจ้อผุงซ่านบ้า น, น้ำลายมากมายนักจบหมายเหตุครั้นอยู่มายวนส่งพระราชสารเข้ามาอีกฉบับหนึ่งได้แปลออกแล้วตัดแต่ใจความบ้างเล็กน้อยพอเป็นสังเขปใจความที่ยวนวิงวอนต่อไทยว่ายวนจะขอตัว ชุ่งวิชัยชิดชุมคือพระวิชิตสงครามที่เลื่อนที่ขึ้นเป็นพระยานรงวิชัยออกไปเมืองยวนอย่างเดียวไทยก็ไม่ให้ตามที่ยวนขอยวนกโกรธจึงได้ลำเลิกเบิกเผยประจานเข้ามาว่าฝ่ายยวนได้ซื่อตรงต่อไทยมากครั้งหนึ่งพระม่ามีพระราชสารไปชักชวนยวนให้ยกกองทัพเข้ามาตีกรุงไทยเป็นศึกกระนาบถ้าได้เมืองไทยแล้ว พมา่าจะแบ่งเขตแดนไทยทางตะวันออกให้แก่ยวนกึ่งหนึ่งพระเจ้าเวียดนามไม่รับตามพม่า ข, ขอเพราะทรงตั้งอยู่ในทศพิษรราชธรรมยุติธรรมอีกประการหนึ่งสัมเพาหลวงของไทยที่แต่งออกไปจิ้มกล้องแลข า, ขายที่เมืองจีนกวางตุ้งนั้นสัมเพาไทยถูกพายุพัดเข้ามาในอ่าวเมืองยวนพระเจ้ากรุงเวียดนามเป็นพระธุระเหมือนกับของพระเจ้าเวียดนามเอง อีกประการหนึ่งพวกไพร่ขมศป่าดงพลเมืองเมืองสุรินเมืองสังขระเมืองขุขันเมืองลาวเมืองขมศ ร, ริมแม่น้ําโขงบ้านป่าดอนนั้นหลายบ้านหลายเมืองแตกตื่นพวกเจ้าอนุ ก, กบฏพวกขมรและลาวเหล่านี้หนีเข้ามาในเขตแดนกรุงเวียดนามกรุงเวียดนามได้ทราบแล้วจึงสั่งให้เจ้าเมืองกรมการยวนจ่ายสเสบียงอาหารให้เลี้ยงพวกนั้น เมื่อสงบการกรบฏเจ้าอนุแล้วยวนได้สั่งพวกขุนนางยวนให้ไล่พวกขมรและลาวของไทยที่มาอยู่อาศัยอยู่นั้นให้กลับคืนไปอยู่บ้านเมืองเดิมตามที่เป็นหัวเมืองขึ้นแก่ไทยยวนไม่ได้เกียดกันครอบครัวตามหัวเมืองขึ้นของไทยไว้ในเขตแดนยวนเลยเพราะยวนรักษาทางพระราชมัตรีโดยแบบอย่างธรรมเนียมยุติธรรมไม่ให้เสียครองเจริญไมตรีเลย แต่ไทยหาเห็นว่ายวนรักใคร่ไทยไมครั้งนี้มีหนังสือองค์เลปโปเสนาบดีมาถึงเจ้าพระยาพระครังฉบับหนึ่งตัดแต่ใจความว่าหนังสือองค์เลปโปเสนาบดีผู้สําเร็จราชการนาน า, นาประเทศและเป็นแม่ทัพใหญ่สําหรับรักษากรุงเวแจ้งความมาถึงเจ้าพระยาพระครังเสนาบดีว่าราชการต่างประเทศ กรุงพระมานครศรีอยุธยาได้ทราบด้วยเมื่อต้นฤดูหนาวปีกลายนั้นขุนนางไทยแม่ทัพไทยนายกองฝ่ายเมืองลาวชื่อชุนกิมดองขุมกองทัพไทยยกล่วงเกินเดินกองทัพเข้าไปในเมืองกำโลเมืองถูตือเมืองตังบ่อกองทัพไทยชุนกิมดองยกเข้าไปเก็บเอาสิ่งของของพลเมืองทั้งสามตำบลที่ออกชื่อมาแล้วนั้นเมืองทั้งสามนี้ เป็นพระราช า, าเกตของกรุงเวียดนามกรุงเวียดนามก็ไม่ได้ให้กองทัพออกตามจับหามิได้ซึ่งชุงกิมดองแม่ทัพไทยทำดังนี้เห็นผิดเหลือเกินนักทำดังโจรป่าหาควรไม่การเป็นดังนี้หาชอบที่ผู้สัจะทําจะฟังไม่อันหนึ่งเจ้าอนุเมืองเวียงจันทร์แต่ก่อนเป็นข้าทั้งสองพระนครแล้วเจ้าอนุทาผิด ไทยจะไปค่าเสียแล้วแต่เมืองเวียงจันทร์จะทิ้งไว้ให้เป็นป่าว่างเปล่าอยู่นั้นเห็นชอบแล้วหรือไทยจะคิดตั้งเจ้าเมืองเวียงจันทร์หรือไม่ตั้งไม่เห็นบอกออกไปให้ยวนรู้บ้างแต่คอยคอยอยู่ช้านานแล้วหรือไทยจะใค้าได้แผ่นดินไพร่บ้านพลเมืองเวียงจันทร์แต่ฝ่ายเดียวจึงไม่ได้บอกออกไปให้ยวนรู้กําหนดบ้างข้อความทั้งนี้ฝ่ายยวน ก็ยังมีความสงสัยครานแครลงอยู่มากนักขอให้เสนาบดีฝ่ายไทยแจ้งไปให้เสนาบดีฝ่ายยวนทราบโดยจะแจ้งแจ้งความมาณวันเดือนสิบแรมเก้าค่ำปีฉลูเอกศกจุดลักาลหนึ่งพันหนึ่งร้อยาส1 1 9อดปีสกราลพระเจ้ามินมางปีที่สิบอานามสยามยุทธ ภาคที่หนึ่งตอนที่13บสามารจากพระเจ้าดึกว่างเดเจ้ากรุงยวนถึงกรุงเทพโปรดติดตามตอนต่อไป